พระธรรมเทศนาลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินทไวสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่าหนทางสู่สันติสุขหลังลาศิกขาได้นัดประชมุมหมู่พวกเพื่อนพ ร, พระนว ก, กะที่เป็นนักศึกษาแพทย์มหิดล ก็มีเวลาน้อยเต็มทนผมก็ยังมั่นใจอยู่ส่วนหนึ่งก็คือสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนที่อยู่ในวัดของเราก็ธรรมเทศนาของหลวงตาเทศกลางคืนตั้งแต่สองทุ่มถึงตีห้าแต่พวกเราอยากจะฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตาพวกเราก็ไม่ขาดตกปกพ่อง แต่ผมก็ยังวิตกกังวลอยู่อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าหากว่าพวกเราที่เป็นนักศึกษาพระลูกหลานไม่ได้ศึกษาในภาคปฏิบัติมาก่อนและจะมาฟังธรรมเทศนาของหลวงตาก็เป็นการฟังเข้าใจได้ยากเหมือนกันหลวงพ่อเองก็เป็นห่วงแต่ว่าถึงยังไงหลวงพ่อก็ยังนึกในใจว่าพวกเราก็คงจะผ่านสมรมพุทธธรรม ของสิริราชมาแล้วก็วคงจะได้ฟังแนวความคิดของพระสงฆ์หรือครูบาอาจารย์ที่เขาไปแสดงพระธรรมเทศนาพวกเราผ้าลูกหลานก็คงจะได้ฟังได้ศึกษาพอสมควรอันนี้คือส่วนหนึ่งแต่ถึงยังไงธรรมเทศนาขององค์หลวงตามหาปัวถ้าว่าผู้ใดไม่ได้ปฏิบัติแล้วจะมาฟังเอาเอาเลยผมได้ยินมามากต่อมาก ฟังไม่เข้าใจพอหลวงตาพูดมีแต่เรื่องกิเลสมีแต่เรื่องธรรมมีแต่เรื่องเคลื่อนไหวหทางจิตใจเป็นส่วนมากอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกเราฟังแล้วก็เมื่อฟังไม่เข้าใจก็เบื่อเบื่อในการได้ยินได้ฟังคือไม่สนใจในการได้ยินได้ฟังพราะฟังก็แล้วไม่เข้าใจแต่เว้นเสียแต่เมื่อเราฟังเข้าใจแล้ว เราจะพอใจในการฟังครๆติดติดนับในการฟังอยากจะฟังะฟังการนี้แล้วอยากจะฟังอีกการอื่นอีกเพราะท่านเทศหลองภาคปฏิบัติอันนี้ก็คือผมเองกับมั่นใจในส่วนหนึ่งว่ามีธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้พวกท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาอยู่ส่วนหนึ่ง แต่อีกไม่มั่นใจอีกส่วนหนึ่งก็อย่างที่ผมได้พูดว่าทำพระเทศนาขององค์หลวงตาเนี่ยท่านพูดลึกแต่พวกเราที่ไม่ได้รับการไม่ได้รับไม่ได้ศึกษาทำมัธาคปฏิบัติมาก่อนฟังแล้วจะไม่เข้าใจเหมือนกับพวกเราที่ได้เรียนประหยัมาก่อนก็เถอะถ้าไม่ได้ปฏิบัติมาแล้วถ้าฟังเข้าไปแล้วก็ยังไม่ซึง้งเพราะเหตุไร เ, เพราะเรา ตามไม่ทันที่องค์หลวงตาเทศนั้นเพราะท่านเทศภาคปฏิบัติแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราทุกๆท่านฟังเอาไว้ฝ่ยในการศึกษาผมมั่นใจว่าฟังหลายครั้งต่อหลายหนจะเข้าใจอย่างที่ท่านดรท่านหนึ่งที่ท่านมาพักที่วัดของผมท่านว่าฟันท่านฟังเทศเพอตื่นขึ้นมาท่านก็นั่งฟังตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองตีสตรงตากเกษตรให้ฟัง ในวิทยุพอฟังฟังไปแล้วผมก็เลยมาเข้าใจในคืนนั้นลุงตาบอกว่ากิเลสกิเลสจิตใจคิดไปในทางกิเลสผมก็เลยมาคิดใมันมันก็เลยรู้สึกสว่างขึ้นในจิตจิตใจบอกว่าใจที่ส่งออกไปข้างนอกใจที่คิดไปในทางไม่อยู่ในกรอบ แค่ว่าบังคับไม่อยู่ใจที่บังคับไม่อยู่มันออกไปอนอกลูก่นอกทางอันนั้นคือตัวกิเลสใจที่เป็นกิเลสผมก็เลยมามาสรุปได้เลยในในช่วงขณะนั้นผมก็เลยมั่นใจในความรู้สึกนึกคิดอันนั้นว่าเออใจที่ส่งออกไปอย่างนั้นไม่อยู่ในกรอบหลักธรรมวินยัยไม่รู้อยู่ในกรอบของศีลธรรมใจประเภทนั้นคือใจออกไปสู่กิเลส จากนั้นมาผมก็เลยฟังพยายามฟังธรรมะเข้าใจเรื่อยๆมานั่นแนหะคือจุดประกายแรกที่ผมเข้าใจว่าใจที่ส่งออกไปข้างนอกใจที่มันบังคับไม่อยู่ใจที่มันรือ้อแล้วมันหลุดออกไปนะนะี่ยนะไม่ตามไม่ตม่ไม่อยู่ตามบัญชาที่ตัวเองได้คิดนะมันออกไปอจิตปุงฟุ้งออกไปข้างนอกนะนะั่นแหะอันนั้นคือกิเลส พอผมจับประเด็นนั้นได้ผมก็เลยมารู้เออใจมันออกไปอย่างนั้นคือใจกิเลสจากนั้นมาผมก็เลยพยายามดูใจของตนเองเรื่อยๆจากนั้นเวลาฟังธรรมะของหลวงตา mm hmm. ก็เลยพอเข้าใจเป็นลาดับลาดับลาดั บ, รบ<ๆ>กระทั่งทุกวันนี้นี่แหละอันนี้คือเราจับประเด็นได้ท่านผู้แต่ก่นหน้าฟังของท่านเหมือนกันเพราะฉะนั้น เราต้องพยายามฟังฟังธรรมเทศนาขององค์ลงตาจากนั้นก็ค้นคว้าศึกษาตำรับตำราบ้างอันนี้ก็คือที่ผมแนะนำหมู่พระนวกะแต่ผมเองผมก็ไม่อยากจะให้พวกท่านทั้งหลายศึกษามากจนเกินไปถ้าจะคิดการศึกษาตำรับตำรา ผมก็บอกขีดเส้นเอาไว้ว่าน่าจะประมาณสักยี่สิบเอร์เซนส่วนแปดสเอร์เซนั้นผมอยากจะให้พวกเทเราท่านทั้งหลายนั่งสมาธิภาวนาดูใจของตนเองเอบังคับใจของตนเองดูใจของตนเองให้อยู่ในความสงบถ้าพวกเราพยายามทำจิตใจให้สงบแล้วต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเป็นครวาญญาติโยม เรามีความขยันเองเพราะเราได้ปฏิบัติจิตใจของเราเข้าสู่กรอบแห่งความสงบแต่ถ้าว่าพวกเราเข้ามาบวชแล้วมีแต่อ่านมีแต่ดูหนังสือไปอย่างอื่นไม่เคยภาวนาเลยเมื่อออกไปแล้ว ก, ก็เราก็ไม่เชื่อในตำรับกํรมราอีกต่างหากทีนี้เพราะว่าจะเป็นจริงอย่างที่ ต่างๆตำราพูดหรือเปล่าเพราะตัวเองไม่เคยปฏิบัติตามนั้นอันนี้เราก็พานไม่เชื่อต่อไปเราก็พานไม่สนใจไม่ศึกษาอันนี้ผมว่ามันไม่เกิดประโยชน์สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อเข้ามาแล้วต้องตั้งใจภาวนาอย่างที่ว่านจนจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นพื้นฐาน ในรับความสงบพร้มเย็นเป็นจุกทางด้านจิตใจจากนั้นเราก็ศึกษาธรรมภาคปฏิบัติอื่นๆเรื่องศึกษาตาำรับตำราหรือหนังสือของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เลขิตเช่นที่ท่านได้เขียนเอาไว้เราก็จะเชื่อมั่นตามทำคําสอนที่ท่านได้แนะนําที่ท่านได้บอกเอาไว้นั้นเมื่อเราไปไปไปเป็นฆราวาสแล้วก็ ค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมต่ออีกได้เพราะเรามีความเชื่อในจิตใจเพราะเราได้ขณะที่เรามาอยู่เราได้ปฏิบัติได้เราเราได้ริมรถแห่งความสงบได้ริ้มรถของพระธรรมที่ท่านได้บอกกล่าวเอาไว้นี่แหละผมยึงอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายลงมือประพติปฏิบัติพยายามทำจิตใจให้สงบในขณะที่มาบวชแต่ มาถึงวันนี้แล้วเวลาของเราก็ยังน้อยเต็มทนวันพ่งนี้มาหรือ น, นี้พวกเราก็จะได้ไปตามวิถีที่พวกเราได้ตั้งใจเอาไว้แต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราจะต้องเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราออกไปได้ศึกษาเรียนจบได้เป็นแพทย์เป็นหมอแล้วก็ให้ใช้หลักธรรม คำสอนของพระพุทธศาสนานำไปประพฤติปฏิบัติพวกเราจะร่มเย็นเป็นสุขนานเท่านานแต่ถ้าพวกเราขาดศีลธรรมไร้คุณธรรมจริยธรรมเมื่อเราไปเป็นคราดเป็นหมอเราหลวงพว่อพูดได้เลยว่าพวกเราจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขได้ยากเพราะเหตุไร เพราะทำไม่คุ้มของแต่ถ้าว่าพวกเรานำทำคำสอนเอาไปใช้เขาเราจิตใจเขาจิตใจเราเรามีความคิดอย่างไรถ้าเราทำอย่างนี้ให้แก่เขาที่เราไม่ต้องการขนาดเรายังไม่ต้องการเราไปทำให้แก่เขาจะเป็นที่พอใจของเขาไหม มันคงไม่เป็นที่พอใจเพราะเหตุไรเพราะขนาดเรายังคิดว่าเรายังไม่พอใจจะให้คนอื่นพอใจได้หรอสิ่งเราเนี่ลแหละคือทมแต่ถ้าว่าเราทำในสิ่งที่เขาพอใจเมื่อเราทำไปแล้วเขาก็ต้องพอใจเพราะพอใจเราซะก่อนเราจึงทำให้แก่เขาในหลักขอให้พวกเราที่เข้ามาศึกษาในหลักของพทธศาสนาให้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม ใจเขาใจเราถ้าพวกเราทำได้อย่างนี้คิดได้อย่างนี้หลวงพ่อว่าเราจะทำการงานอยู่รัชฐานที่ใดอยู่ในกับพ่อกับแม่กับปงสาคณะญาติหรือว่ามีครอบครัวต่อไปภายภาคหน้าก็มีแต่ความร่มเย็นผาสุขในการเป็นอยู่ของพวกเรา เพนั้นขอให้พวกเราพระลูกพระหลานทั้งหลายนะเขามาบวชในพระพุทธศาสนาในคราวนี้แล้วก็ให้นำหลักธรรมคำสอนเรียกว่าเห็น เ, เมื่อเห็นพระสงฆ์ในวัดท่านปฏิบัติอย่างไรอยู่ในความสงบอย่างไรแต่ทุกอย่างจะให้ได้อย่างใจเราเรียว่าเป็นอย่างที่เราคาดคิดไว้ก่อนบางสิ่งบางอย่าง เ, เราก็อาจจะ เห็นแล้วก็ไม่สบายใจก็มีต้องมีแน่เพราะว่าพระในวัดของเรามากขนาดไหนสี่สิบพลาสิบโรคเน่มันจะต้องมีกับกิริยาที่ไม่พึงไม่พึงประสงค์แต่ละองค์แต่ละท่านแต่ถึงอย่างไรเราก็ให้มองดูเหมือนกับไม้อยู่ในวัดป่านาคำน้อยของเราเนี่ยนะ พวกเราเคยเห็นไหมต้นไม้ทุกต้นเสมอกันใช่ไหมพวกเราก็ตอบได้คำเดียวว่าไม่ใช่เทาวันนะ่ะเป็นยังไงเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันคณะธรรมชาติที่เรามองเห็นมันก็ยังไม่เหมือนกันไม่เสมอกันแล้วก็พระที่มาบวชอยู่ในวัดป่านาคำน้อยจะให้เสมอกันเหมือนกันเออเท่าเทียมกันอย่างนั้นใช่ไหม ก็ไม่น่าจะเป็นมันก็คงจะเหมือนกับต้นไม้อยู่ในวัดป่านาคำน้อยเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราถ้าเมื่อเรารู้จักรู้จักธรรมชาติของคู่คนของสรรสัดของธรรมชาติภู ผ, ผาป่าไม้สิ่งรอบด้านรอบข้างของเราเราก็จะได้วางตัวถูก เราก็จะได้สบายใจกับทุกอย่างเราจะทำสิ่งไหนทำอย่างไรจรึงจะถูกต้องไม่ทำให้สิ่งธรรมชาตินั้นเสียหายทําสิ่งธรรมชาตินั้น เ, เป็นพิษเป็นภัยกับเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะไปอยู่ณนะสถานที่ใดชั่ว่มเราไปทางาน กับกลุ่มจับกลุ่มหมู่คณะครูบาอาจารย์หรือคนชุมชนกลุ่มไหนเราก็ต้องอ่านชุมชนกลุ่มนั้นมีความประสงค์อย่างไรทําอย่างไรถ้าหาว่าเราเห็นแล้วถ้ามันรุนแรงมากหรือจะมีปัญหากับเราเราก็ต้องรู้จักหลบรู้จักหลีกรู้จักเอาตัวรอดส่วนหนึ่ง เว้นเสียแต่ว่าถ้าเอาตัวรอดแล้วมันเสียชุมชนสังคมถ้าสินท่าว่าเราเอาชูดตรงมันก็จะเกิดประโยชน์อันนั้นเราก็ตรงได้ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าว่าเราตรงตรงไปแล้วมีแต่เสียหายเราเสียหายชุมชนเสียหายผู้เกี่ยวข้องเสียหายอันนี้เราก็ต้องบวกลบคูณหารไว้ทั้งหมดเหมือนกันเพราะเราอยู่ในชุมชนและสังคม เพราะฉนั้นขอฝากไว้กับลูกหลานทุกๆองนะเพราะพวกเราจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าแต่ถึงยังไงให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุดจริตซื่อตรงต่อประเทศชาติต่อพ่อแม่วงสาคนายาติต่อประเทศชาติตาาาตตาตบ้านเมืองให้ตั้อกตั้งใจทำการทำงานจากนั้นก็ ให้ดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ของเราที่เลี้ยงดูเรามาให้เราแสดงความกตัญยูกะตะเวทิตาต่อบุพการีบุพการีตัวนี้ผมเคยพูดให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาหลายครั้งหลายหนบุพการีผมยกขึ้นมาก็คือพระพทุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนี้คือบุพการีที่เรามองไม่เห็น แต่พระสงฆ์เนะี่ยเรามองเห็นพระสงฆ์ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านนําพระธรรมมาประกาศมาเผยเผยเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอันนี้ก็คือพระสงฆ์เป็นบุพ ก, การีพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูอย่างไรต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราก็มากราบพระพุทธเจ้าอย่างที่เรากล่าวสรรเสริญ อ่าะหังสวากาโตสุปฏิปโนนะโมตสะนัตทิเมสรนางอัญยังนี่แหละอันนี้คือความคือเราแสดงความกระตันยูแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นก็คือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ผมได้ยกขึ้นมาก็คือทําไมจึงมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินด้วยบุพการีถ้าว่าพวกเราพระเจ้าแผ่นดินเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ ไม่ได้รักษาประเทศชาติบ้านเมืองมาพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้อย่างไรอย่างประเทศอินเดียถึงจะเป็นประเทศพระพุทธศาสนาบัตรขึ้นก็เถอะแต่พระเจ้าเป็นดินไม่ได้คุ้มครองแล้วก็เนี่ยแหละพุทธศาสนาก็หมดจากอินเดียสมัยเมื่อพญาอโศกรักษาพระพุทธศาสนา ในยุคนั้นก็เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูเพราะว่าพ ร, พระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้คุ้มครองพระพุทธศาสนานี้เมืองไทยของเราก็เหมือนกันในแผ่นในหลักศิลาจารึกทุกยุคทุกสมัยเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ปกครองคุ้มครองพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นคู่กับกษัตริราอย่างทีว่า นี่แหละคือใค่ว่าพระพุทธศาสนาอยู่กับพระมหากษัตริย์แล้วพวกเราท่านทั้งหลายได้กราบคาระวะหรือคนใดฟังพระธรรมเทศนาได้รับการศึกษาให้รู้จกักศีลรู้จักธรรมได้กราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่อติธาติของท่านได้กลายเป็นพระธาตุงี้ว่าเป็นพระรหัตพูดง่ายๆ เราได้กราบพระหันพระอริยะเจ้าก็เพราะว่าพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้เป็นหลักเป็นผู้คุ้มครองคณะสงฆ์จึงได้ประพฤติปฏิบัติเป็นที่ยอมรับของพวกเราท่านทั้งหลายจนเป็นอริยะสงฆ์ขึ้นมาที่เราได้กราบเรียกไหวนี่อันนี้ก็คือเป็นบุพการีส่วนหนึ่งที่พระเจ้าแผ่นดินทุกยุค ที่พวกท่านรักษาประเทศชาติบ้านเมืองมาเราจะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาอย่างไรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะแสดงความกตัญญูต่อแผ่นดินต่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินจากนั้นก็พ่อแม่ของเราที่เลี้ยงดูเรามาเราเกิดมาจากไหนเกิดมาจากพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงดูเราเป็นยังไงเหมือนกับพ่อแม่เหมือนกับเราเลี้ยงเคยเห็นเขาเลี้ยงเด็กเด็กเกิดมาใหม่ รู้อะไรตัวแดงๆมีตะร้องให้อย่างเดียวหลับตายต่างหากกว่าจะดืมตาได้กระพอแรงกว่าจะรู้เรื่องสอนขึ้นมาได้ยังก็มากพวกเราผ่านอย่างนั้นมาแล้วใช่ไหมอันนี้ก็ไม่มีใครปฏิเสธยอมรับว่าเป็นมาอย่างนั้นจริงๆแล้วทีนี้เราจะแสดงความกตัญญูกตเวทิตากับพ่อแม่ของเราอย่างไรจึงจะถูกต้อง อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องเค็ดอีกเหมือนกันแสดงความกตัญญูเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้ว เ, เลี้ยงท่านตอบาำกิจธุระของท่านดำรงวงศกุลอย่าไปเอาแต่ใจตัวเองเมื่อพ่อแม่ดุด่าว่ากล่าวก็ต้องฟังแสดงความเคารพไม่ใช่ว่าโกโมโหโกธาเาตะซ้ายเตะขวานหรือวิ่งหนีต่อหน้าท่านแสดงความไม่เคารพ อ่อย่างนั้นมันไม่ถูกนะอันนั้นคล้ายๆกับว่าเราไม่แสดงความกระตันอยู่ในเพื่อเมื่อพ่อแม่พูดท่านเลี้ยงดูเรามายากขนาดไหนเราก็ต้องฝังหลับตาฝังอดใจฝังจากนั้นเราก็จะทํำยังไงที่จะถูกต้องเป็นธรรมแสดงความกระตันอยู่อย่างไรพูดอย่างไรทําอย่างไรจะไม่ให้ทําให้ท่านหนักใจ ดูว่าท่านสบายใจหรือว่าท่านเห็นผิดตามธรรมองของธรรมท่านติดเหล่าติดบุหรีอะไรเราก็พยายาม แ, นะแนะนําสั่งสอนท่านให้ท่านยอมรับให้ท่านเป็นคนดีอันนั้นแหละว่าเป็นบุตรที่ดีของพ่อของแม่แสดงความกระตันอยู่กระตะเวทตาทดแทนพระคุณของท่านอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของลูกทุกคนจ ะ, จะต้องแสดงความกระตันอยู่ จากนั้นกับพ่อแม่พ่ออุปชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกที่ท่านได้แนะนำสั่งสอนพวกเราท่านแนะนำสั่งสอนนโมตสสะพุทธังธรรมังสังขังตลอดศีลธรรมศีลสมาธิปัญญาอย่างไรอันนี้ก็คือหน้าที่ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเราตลอดถึงท่านให้ข้าวน้ำโภชนาอาหารปัจจัยสี่ ให้เราอยู่ด้วยความสงบพร่มเย็นเป็นสุขได้อันนี้ก็คือความเมตตาของท่านท่านเป็นบุพการีเราจะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อแม่ครูบ า, า, รออาอาจารย์พระอุปัชฌาย์อาจารย์อย่างไรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสิทธิ์ทั้งหลายสิทยิ์ญาณุสิทธิ์ทั้งหลายจะแสดงออกอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละสรุปแล้วก็คือ พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพ่อแม่ของเราแต่นั้นพระอุปชาครูบาอาจารย์ของพวกเราล้วนแล้วจะเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนพวกเราจะแสดงความกะตันยูกะตะเวทิตาต่อผู้มีพระคุณเหล่านั้นอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะอันนี้หลวงพ่อถ้าไม่บอกไม่พูดไม่กล่าวพวกลูกหลาน พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าก็จะมองข้ามไปอีกอเหมือนกับในสิ่งที่ไม่จาเป็นไม่สำคัญแต่ถ้าว่ามีผู้บอกผู้กล่าวพวกเราก็จะได้สำนึกนึกคิดในใจเอยใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้าว่าผู้มีปัญญามากก็จะรู้เห็นพระคุณมากถ้าผู้มีปัญญาน้อยกมรู้เห็นพระคุณน้อยแต่ผู้ไม่มีปัญญาผู้โง่เขลาจะมองไม่เห็น บุญคุณของใครอื่นอเพราะเหตุไรเพราะเขามองไม่เห็นเขาไม่มีปัญญาแต่ผู้มีปัญญาก็จะต้องมองเห็นว่าบุพภะการีแต่ละแต่ละชั้นแต่ละสถานะนั้นเป็นอย่างไรนี่ขอฝากไว้กับพวกเราพระลูกพระหลานตลอดสหธรร ม, มิกพวกเราทุกๆองค์ให้คิดเอาไว้พวกเราถ้ามีความ กตัญญูกตเวทิตาแล้วเราจะไปอยู่นสถานที่ใดเราจะมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นถุกในตัวของพวกเราอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ถ้าจะจัดเข้าไปก็เป็นหมวดศิลนเนีคือหมวดศิลการเป็นอยู่ไปอยู่นสถานที่ใดถ้าเป็นผู้มีกฎมีระเบียบมีกฎกติการักษากายวายจาให้เรียบร้อยพวกเราก็จะมีแต่ความผาสุขที่มาพูดถึง เรื่องจิตภาวนาทีไหนถ้าเราจะพูดแต่เรื่องศีลอย่างเดียวเราไม่ได้พูดถึงด้านจิตใจเราไม่พูดถึงเรื่องเรื่องภาวนาใช่เลยเนะี่ยมันไม่ครบสุดเพราะเราเข้ามาบวชในคราวนี้มาศึกษาเรื่องของใจเรื่องของกายเนะี่ยเรื่องปัจจัยสี่ถึงจะเลี้ยงใธนุทนอมอิ่มิพีมันร่มเย็นเป็นสุขนอนหลับสบายถึงขนาดไหนก็เติรถึงดีขนาดไหนก็เตอะ ร่างกายนี่ก็ยังร่างกายของเราก็เป็นอื่นอยู่เสมอเป็นอื่นอย่างไรเลี้ยงเท่าไรก็แก่เลี้ยงเท่าไรก่อนนั่นะจะเป็นไข้เลี้ยงเท่าไรก็มีแต่จะหาความเจ็บความตายเข้ามาสู่ตนเองถึงจะไม่หาก็เถอะมันก็ไปอย่างนั้นร่างกายนี้เพราะนั้นให้เรารู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันถึงจุดจบอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าแต่ถึงวันนั้นจะถึงวันนั้น เราควรจะทำอย่างไรควรจะเตรียมตัวอย่างไรควรจะเตรียมความรู้สึกอย่างไรที่พวกเราวันนั้นจะมาถึงนี่เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดแล้วนะท่านเวลาของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราได้สั่งสอนได้นำมาบอกกล่าวหรือท่านได้ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติมาก่อนท่านยืนยัน ว่าบาปบุญคุณโทษมีจริงนรลกสวรรค์มีจริงวิญญาณ น, นามธรรมร่างกายกับใจมันคนละอ่านกันทำจิตใจอย่างไรตัวไหนที่พ้นทุกข์ตัวไหนที่จะมาเวียนว่ายตายเกิดตัวไหนตายดับศูนย์จริงๆพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำท่านสอนบอกกล่าวไว้หมด ท่านได้นำทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านที่ได้ศึกษามาจากนั้นเมื่อท่านได้ลงมือประพฤติปฏิบัติท่านก็มั่นเชื่อมั่นในในทำคําสอนก็บอกเราให้พวกเราอย่างเชื่อเชื่อมั่นอีกว่าตายแล้วไม่สูนะ่ะร่างกายตายแน่นอนนะแต่นามธรรมตัวนี้แหละคือตัวรู้ๆเนี่ยตัวนี้แหละจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆตัวนี้แหละจะพาไปเกิดตัวนี้แหละพาโลคพาโกรธพาหลง ตัวนี้ะมันมีเชือเช้อกิเลสอยู่ในในนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ศึกษานะเอาธรรมะเข้าสู่จุดนี้เอาธรรมะเข้าสู่จิตใจให้จิตใจมีธรรมก่อนที่จะมีธรรมจะชำระได้นั้น เ, เราหนึกคิดเอาได้เฉยเฉยมันก็ได้อยู่แต่ถ้าว่าผ่านจิตใจผ่านสมาธิจิตใจไ ด, ได้รับความสงบนิ่ง สงบรวมลงเป็นหนึ่งแล้วเมื่อจิตใจรวมลงเป็นหนึ่งแล้วนําจิตใจที่ผ่านการสงบนั้นมาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลอันนั้นจะเกิดประโยชน์มากกว่าแต่ถ้าว่าจิตใจธรรมดานึกคิดธรรมดาก็ใช่เพราะเราเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในเปรียบเทียบคนตายเปรียบเทียบวงศาคนาญาติพ่อแม่ปูย่ย่าตา ย, ยายของเราล้มหายตายจากพวกเราก็มองพอจะมองเห็น พราะเราเคยเห็นเห็นอยู่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นยังไงเราเห็นอยู่แต่ถ้าว่าเราเห็นด้วยสมาธิจิตใจขอ ง, ของเราพวกเรารวมสงบเป็นหนึ่งซะก่อนจิตใจได้พักผ่อนซะก่อนแล้วนำมาพิจารณากันกรองไตรตรองเหตุและผลพวกเราจะเห็นได้ชัดเจนไม่เห็นเมื่อเห็นชัดเจนแล้วจิตใจจะเกิดความปล่อยวางเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่น น่นะมันจะไปในรูปลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างมากสําหรับพวกเราที่จะลงมือประพฤติปฏิบัติสติสัมปชัญญะคำนี้นะเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษาจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติ ด, ด้วยตนเองจากนั้นเมื่อเราจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบแล้วเราก็นํามาพิจารณาทางด้านปัญญา กลั่นกรองตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านวางเอาไว้ให้พิจารณาเกสาโลมานาขาทันตาตะโจเนี่ยสรุปแรวก็คือให้พิจารณาร่างกายของพวกเราตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าในร่างกายของเรามีอะไรบ้างอยู่ในนี้มีเลือดมีหนังมีกระดูกมีลำไส้มีตับมี ไตมีปอดมีหัวใจมีอุจจารปัสสวะอยู่ในตัวของเราสิ่งเหล่านั้นที่เรามองเห็นสิ่งทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวง เ, เป็นของที่มีสาระแก่นสารใช่ไหมถ้าเราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเข้าไปแล้วก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นมันถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันในร่างกายอีกสักวันหนึ่ง ไม่รู้อันไหนบางทีก็ถ่ายไม่ออกก็มีบางทีอุจจลระเป็นเพชรก็มีหายใจตีบตันก็มีเส่นเลือดอุดตันก็มีมันมีเยอะแยะในร่างกายของเราที่จะเป็นไปแต่ใ้ใจของเราเนี่ยคือเป็นผู้คลองร่างนี้ยอยูนะ่เมื่อถึงจุดนั้นแล้วจะทำอย่างไรมันจะต้องเกิดแน่นอนอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าพ่อกับพ่ อ, พอแม่ปู่ย่าตายายของเรากับ เกิดมาแล้วเป็นแล้วไปแล้วไม่รู้กี่อย่างโตกกี่อย่าเราจะอยู่โชคฟ้าดินสลายไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมนี่แหละแต่ในหลักของ อ, อทางโลกหรือว่าหลักหมอหลักวิทยาศาสตร์อะไรก็ตามเขามองเห็นตาาแต่กายอมีตแต่อนักวิทยาศาสตร์ที่เขาเคย เรียนประมาณูมาเท่านั้นแหละ อ, อไอสตรายนะ์เขาจะพิจารณาจนถึงเห็นตัวผู้รู้คือใจเ อ, อเมื่อเมื่อเขาเขาพิจารณาฟันคนค น, คนนั้นละ่ะที่ใกล้เคียงที่สุดนักวิทยาศาสตร์ไอสตรายนะตัวนั้นละ่ะที่รู้ได้ใกล้เคียงแต่ก็ยังไม่จริงแต่รู้ใกล้ แต่นอกจากนั้นมามีแต่เรื่องนามเรื่องรูปประธรรมทั้งนั้นมันเข้าไม่ถึงแต่หลักของพุทธศาสนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจความนึกคิดของใจความปรุงแต่งของใจเพราะนั้นขอให้พวกเราพระลูกพระหลานทุกองค์นะที่เข้ามาบวชในศึกษาในคราวนี้ท่ากว่าถึงจะไม่ได ถึงขั้นตัด ก, กิเลสโลภโกรดหลงออกจา ก, กจิตใจก็เถอะแต่ก็ให้เรียนรู้และศึกษาเอาไว้ว่าหลักของพระพุทธศาสนานั้นท่านเน้นหนักเรื่องเรื่องของใจคือนา ม, มธรรมในเรื่องรู ป, ปรธรรมนั้นมันเป็นเครื่องพึ่งพาอาศัยแต่เรื่องนา ม, มธรรมคือท่านจิตใจนั่นตัวนั้นแหละสำคัญมากมันจะดีมันจะเร็ว มันจะเป็นคนดีหรือจะเป็นนักเลงหัวไม้หรือจะเป็นอันพานหรือไปเห็นค น, คนเห็นแก่ตัวก็นั่นแหละมันอยู่ใจใจตรงนั้นหละถ้าจิตใจตรงนั้นส่งเสริมไปทางไหนมันก็จะไปทางนั้นส่งเสริมให้โลภมันก็โลภได้ส่งเสริมให้ผูกความโกรธมันก็โกรธได้เ่ส่งเสริมให้เกิดราคะมันก็เกิดราคะความกำหนัดยินดีได้แต่ถ้าว่าเรา พิจารณาเอาทำเข้ามายืนอยู่จุดนั้นเห็นใจของเราเห็นความรู้สึกของเราเห็นกิเลสโลกโกดหลงภายในใจของเราเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรอันนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราก่อนที่จะมาถึงจุดนั้นได้ก็อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวว่าเนี่ยต้องมีสมาธิถ้ามีไม่มีสมาธิจะมองไม่เห็นถ้ามีสมาธิ สมีสติสัมปชัญญะแล้วมี ส, สมาธิแล้วเราจะมองเห็นใจของเราความนึกคิดของเราจากนั้นก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขใจของเราจะแก้ไขอย่างไรเป็นหน้าที่ของพวกเราละทีนี้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะพระลูกพระหลานทุกองค์นะที่เข้ามาบวชในคราวนี้ให้ตั้งอกตั้งใจเมื่อสึกออกไปเป็นคราวาสแล้วก็ให้นำทำคาสอนในหลักของพระพุทธศาสนา นําไปประพฤติปฏิบัติเขาเราหลวงพ่อบอกว่าเขาเราถ้าเราไม่พึงไม่ต้องการอยากไปทําให้แก่เขาถ้าเราต้องการอย่างนี้เมตตาอย่างนี้มีน้ําใจอย่างนี้สงเคราะห์อนุเคราะห์อย่างนี้ถ้าเราต้องการเราก็พยายามทําอย่างนั้นให้ดีเขาจะได้รับความผาสุกเราก็จะได้สบายใจ แล้วก็การเป็นอยู่ของพวกเราก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวจะให้ได้อย่างใจเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้หลักของพุทธศาสนาพวกเราก็มาศึกษาก็เช่นเดียวกันเหมือนกับเรามาอยู่ในป่าวัดป่าของหลวงพอ่อมีต้นไม้สูงต่ำอย่างพวกเราเห็นพระในวัดของพวกเราก็หลวงพ่อก็มั่นใจกับคงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่พวกเรารู้จักในการวางตัว ในการมาอยู่ไม่ใช่แต่อยู่เพียงแค่นี้นะถ้าเมื่อเราออกไปไปเป็นฆราวาสก็ยิ่งมากกว่านี้อีกถ้าเรารู้จักวางตัวแล้วพวกเราจะเอาอยู่ณสถานที่ใดผาสุกได้ทั้งนั้นมีแต่ความสุกได้ทั้งนั้นถ้าเราไปไม่รู้จักวางตัวเราไปที่ไห น, นก็ขวางไปหมดนะจะหาความ้าสุกไม่ได้ให้ฟังเอาไว้นั่นะคือทุกคนจะให้มันได้อย่างใจเราเป็นไปไม่ได้ เราจะให้เป็นได้อย่างใจของทุกคนทุกทุกคนก็นเป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องรู้จักการวางการวางตัวต่อสถานะทุกสถานะเพราะเราเป็น เ, เด็กเป็นน้อยเป็นนมอยูออ่แล้วก็ต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาถ้าว่าพวกเรารู้จักการประพฤติปฏิบัติการวางตัวแล้วพวกเราก็จะมีแต่ความ ความสบายใจนะการพูดและการแนะแนวกล่าวสมโมธนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสงวรกับการเวลาขอุติต่อนนี้ไปให้พวกเรานั่งสมาธิที่นี่นะให้ดูใจของตนเองดูใจของตนเองไม่ต้องส่งไปทางนอกให้มีสติสัมปชัญญะในขณะที่นั่งสมาธิให้ดูใจ ให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุโทโธพุโทโธพุโทโธบังคับนะให้มันอยู่กับพุโทโธ